ละเอียดก็คือภาสิตกายภาสิตวายกาภาสิตใจเป็นพุทธภาสิตธก็เหมือนกันเทวตาภาสิทก็เหมือนกันหรือสาวกภาสิท์ก็เหมือนกันหรือพุทธภาสิท์ก็เหมือนกันก็ปารกออกจากกายออกจากวาจาออกจากใจไม่มโนพุพังเป็นต้นเหตุของภาสิทธ สุภาสิทธิก็ดีพุทธภาสิทธิ์ก็ดีเท е วตาภาสิทธิ์ก็ดีก็ออกมาจากมโนุผู้ฟังทั้งนั้นแหละเหตุฉะนั้นจึงเรียกว่ามูลเดิมมูลเดิมก็คือหิจใจนี่จะทำดีชํ่งทั่วก็คือคือมูลเดิมแล้วพุทธศาสนาเป็นยอดของาศาสนาในโลกาศาสนาอื่นไม่ละเอียดละออเหมือน พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติท่านไม่มีกิเลสก่านเป็นศาสนาเอกในโลกทุกยุคทุ ก, ท ก, ท ก, ท ก, ทกสมัยคำสอนศาสนาอื่นเป็นคำสอนที่เป็นเหตุผลไม่ลึกซึ้งเหมือนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบริบูรณ์มดทั้งมนุษย์สมบัติด้วย ทั้งสวรรค์สมบัติด้วยทั้งพรหมสมบัติด้วยทั้งนิพพานสมบัติด้วยทั้งมนุษย์วิบัติด้วยทั้งสวรรค์วิบัติด้วยทั้งพรหมวิบัติด้วยทั้งนิพพานวิบัติด้วยถ้ามนุษย์สถ้ามนุษย์วิบัติแล้วสวรรค์ก็วิบัติไปตามกันพรหมก็วิบัติไปตามกันนิพพานก็วิบัติไปตามกันอบายมุขทุกประเภทมันเป็นมนุษย์วิบัติเว้นจากอบายมุขจึงเป <st> ็นมนุษย์สมบัติ จึงเป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิจึงเป็นพรหมสมบัติเต็มภูมิจึงเป็นนิพพานสมบัติเป็นลำดับคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระคําสอนไม่ใช่โลกีพระนับเอาแต่สุปเปิปโนเป็นต้นไป ต, ต่ํากว่านั้นลงมาเป็นโลกีถือเอาเป็นประมาณได้ก็คือสุปฏิปโน ในพพุทธศาสนายืนยันอย่างนั้นในพรมะมัารสูตรเป็นพระมัจจันเบื้องต้นถ้าเราไม่สงสัยคำสอนพระพุทธศาสนาการปฏิบัติของเราก็ไม่ลำบากเราปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยเราปฏิบัติมากก็ได้มากถ้าหากว่าเราสงสัยคำสอนพรพุทธศาสนาเราเข้าใจว่ารัฐที่อื่นๆจะ ดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัติพระพุทธศาสนาของเราก็ลําบากเหมือนหลกักไม้ทางปลายเดี๋ยวมีคนมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เขว้ไปตามเขาคนมาเป่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเห็นชัดว่าพระพุทธศาสนาเนี่เป็นแก่นของชาวโลกทุกยุคทุ ก, ทกสมัยส่วนเท่าชาวโลกจะนับถือหรือไม่นับถือไม่เป็นปัญหาพระพุทธศาสนา ก, ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้น เป็นชั้นที่หนึ่งของชาวโลกอยู่อย่างนั้นทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาจึงทรงพระนามว่าศาสนาเทวามนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทเวดาในมนุษย์ทั้งหลายเราเมื่อเราไม่สงสัยพระพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัติพระพุทธศาสนาะเราก็ไม่ลําบากเราจะปฏิบัติเอาขนาดไหนเราก็เลือกได้นะถ้าเราสงสัยคําสอนพระพุทธศาสนาะอยู่แล้วการปฏิบัติของเราก็ฝืดเหมือนกันเหมือนรากไม้ทางปลาย พุทโธคําเดียวก็เป็นเครื่องอุ่นใจธโมคําเดียวก็เป็นเครื่องอุ่นใจพระพุทธศาสนาเพราะย่นลงมาถึงกันได้แปดมื่นสี่พระธรรมขันะย่นลงมาหาพุทโธก็ได้แปดมื่นสี่พระธรรมขันจะย่นลงมาหาธโมก็ได้แปดมื่นสี่พระธรรมขันทย่นลงมาสังโฆก็ได้เพราะมันเนื่องถึงกันหมดเหมือนําปั้นตีดินมันถูกหมดทั้งไตรกธาตุนะ ถึงจะมีน้ำขั้นอยู่ก็ตามสิ่งไหนที่เป็นของแข็งก็เป็นธาตุดินหมดนะัมันขึ้นอยู่กับปัญญาปัญญาของเราศีลก็ตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิก็ตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญาก็รอบรู้ในปัจจุบันปัญญาที่เป็นโลกุตระก็คือปัญญาของพระโสดาบันศีลที่เป็นโลกุตระก็คือศีลของพระโสดาบัน สมาธิที่เป็นโลกุตระก็คือสมาธิของปะโสดานพระพุทธศาสนาปฏิเสธอบายยมุกทุกประเภทอบายยมุกไม่ใช่มีแต่การเล่นการพรนันเท่านั้นค้าขายไม่ชอบธรมก็จัดเป็นอบายยมุกค้าขายเครื่องประหารค้าขายมานุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเรื่องที่ตัวข้าไปเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษนะอัญจัชัตุเทศถือศาสนาอื่นก็เป็น ก็ก็ก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนเราจะปฏิบัติได้ขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของเราแต่ส่วนพระพุทธศาสนามันบริบูรณ์อยู่แล้วทั้งอัฏถทั้งพยัญชนะเช่นเทิงแล้วตามหังปะวันตังในภูติยามีตามหังปะวันตังศีรสานรรมามิยังได้ยอมกราบไหว้สิ่งไหนพระโพรมศา s a าไม่ได้สอนไม่มีสอนหมด พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาสอนตรงกันแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้เพียงแค่ไหนก็เป็นเรื่องของเราเท่านั้นอย่าไปสงสัยว่าพุทธ ศ, ศาสนาไม่สงสัยเลยเราปฏิบัติน้อยเราก็ได้น้อยเราปฏิบัติมากเราก็ได้มากพระธรรมยอมรักษาผูา้ปฏิบัติมาให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วสอนทแทนผู้อื่นให้กระทําตามคำสอนของพุทธศาสนาย่นลงมาสั้นก็คือให้ละชั่วทําดีให้ทําจิตละชั่วทําดี เป็นให้คำกิจบันเทิงในการับชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านรวบรวมมาที่นั่นเลื่อมใสใน พ, พุทธศาสนาคณะยดจิตเดียวยังดีกว่าเลื่อมใสในรัฐที่อื่นๆล้านๆคณะจิต น, นึกถึงเวลาไหนก็เป็นเครื่องอบอุ่นพระพุทธศาสนาไม่สงสัยเลย เขาตั้งอยู่ที่ดวงใจของเราแล้วแผ่นดินน้าสองแสนสี่หมื่นโยชน์เขาเอาลูกระเบิดปรมานูทำลายแตกแต่กิดใจถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ยอมเลยไม่ยอมแตกเลยไม่ว่าแต่เท่านั้นถึงจะตายมากกว่าแม่เห็นเม่ทรายเนท่อมาหาสมุทรร้อยโกดรรรมหาสมุตก็ตามน้านล้านก็ตามร้อยๆอยโกดก็ตามจะไม่หนีจากพระพุทธธรรมประสงค์ลงถึงขนาดนั้นละจะไม่เลื่อมใส ลัทธิอื่นศาสธราอื่นถึงจะมีกิเลสมากกว่าแม่เห็นแม่ทายท่องมหาสมุทรร้อยโกดมหาสมุทรก็ตามจะไม่หนีจากพระพุทธธรรมประสงค์จิตใจจะฝังลงลึกถึงขนาดนั้นเมื่อสมาทานถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาตับจิตกับใจทับจิตทับใจก็ไม่แตกใครจะมาเต่าไปทางไหนมันก็ไม่ไป พระบรมศาสด า, าบอกว่าวิชาพมโลกของเราไม่ยากเพียงเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็เป็นวิชาพมโลกแล้วท่านพูดอย่างนั้นไม่ต้องอ้าปากกินลมไม่ต้องยืนขาเดียวอ้าปากกินลมหรอกท่านไปพูดกับพวกศาสนาอื่นวิธีพมโลกของพวกท่านยืนขาเดียวอ้าปากกินลมก็มียากกิเลิดก็มี อ่าบะาครานกินอาหารก็มีวิชาของเราจะทาคลดเรื่อบใสในพุทธศาสนาก็ได้วิชาพ ม, มาโลกแล้วท่นพูดอย่างนั้นพ ม, มโลกในทางพุทธศาสนามีอายุยืนพ ม, มโลกในทางโลกีก็ไม่ยืนสวรรค์ในทางพระพุทธศาสนากับทางโลกีก็เป็นสวรรค์อันเดียวกันแต่ว่าอายุยืนกว่ากัน จะอย่างไรก็ตามพวกเราก็ต้องไปทางลัดเพราะทางโคงพวกเราเดินมาแล้วสิ่งไหนที่จะไม่เพิ่มราคะให้จัดเข้าสิ่งไหนที่จะไม่เพิ่มโทสะให้จัดเข้าสิ่งไหนที่จะไม่เพิ่มโมหะให้จัดเข้า สิ่งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายโคจะมีสูตรก็ย่นลงมาที่นี่สูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจพาสิทธของกายพาสิทธของวาจาพาสิทธของใจจะเทศยาวหรือสั้นก็สั้นออกไปจากใจ จะยาวก็ยาวออกไปจากใจจะสั้นก็สั้นออกไปจากใจบุญก็เหมือนกันบาปก็เหมือนกันบาปจะทํามากก็มากออกไปจากใจบุญจะทํามากก็มากออกไปจากใจถ้าทําแล้วก็มาอยู่ที่ใจไม่ไปไปอยู่ที่อื่นใจมีเป็นมีคุณเป็นมหันต์ก็มีโทษเป็นอนันต์เหมือนกันถ้าทําถูกก็มีคุณเป็นมหันต์ถ้าทําผิดก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําถูกบ่อยๆ ทำดี บ, บ่อยๆความดีก็บวกอยู่ที่ใจบ่อยๆให้สูงขึ้นเมื่อทําชัวาา่วบ่อยๆความชั่วก็บวกอยู่ที่ใจบ่อยๆให้ต่ําลงใจของผู้ถือพระพุทธศาสนาอารมณ์ของผู้ถือพระพุทธศาสนาเป็นอารมณ์ไปทางไปทางกุศลเป็นส่วนมากถึงจะไปทางบาปก็เป็นส่วนน้อย ผู้จิตถือว่าไม่มีบุญไมีบาปอารมณ์ไปทางบาปไม่มีกลางวันกลางคืนแม้ฝันไปก็มีอารมณ์ไปทาาปําอ่ะแต่เขาไม่รู้ตัวทําไมจึงไม่รู้ตัวก็พระบารมียังอ่อนอยู่มันจะจําเป็นแชวเพราะกรรมมกนาวัจติรูกูสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมและผลของกรรมเป็นสาลไต่สวนเป็นสารตัดสินอยู่ในตัวแล้วเป็นพยานอยู่ในตัวด้วย เป็นธรรมมาที่ปตยด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้จะรู้แล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาเช่นสัตติระฌานอย่างนี้เขาก็ไม่รู้บาปรู้บุญอะไรแต่เมื่อเขาทากันลงไปเขาก็เป็นบาปเหมือนกันเช่นเขากัดกันฆ่ากันหมู่นี้เขาก็เป็นบาปเหมือนกันเขาทำลายกันกูนกนทีมึงทีอยู่ยนั่นแหละเขาก็ดี คำสอนพระพุทธศาสนายึดเอาบาปเอาบุญยึดเอากรรมและผลของกรรมมาไว้แล้วยึดเอามาแล้วยึดเอามาไว้แล้วพระพุทธศาสนาท่านั้นบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกสิ่งอื่นศาสนาอื่นก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ไม่ลึกซึ้งเหมือ น, นพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาท่านองค์พระบรมศาสลาปฏิเสธแล้วในผมไมพุทธ ในมหาปณิธานสูตรสุปฏิปโนโอุจยยะสามีจิไม่มีในรัฐที่อื่นๆเลยท่านท่านปฏิเส ธ, ธแล้วเพราะสมัยนั้นสุพัทธะไปกราบทูลท่านในวันจะเข้าสู่อนุปิเสิสนิาพานที่มืองกุจินาราสมณะทั้งสี่จะมีในศาสนาอื่นหรือไม่พระเจ้าค่าเอออย่าเลยอย่าเลย ตัวของเขาก็ไม่ถึงสุปจัปปโนใช่แล้วจะเอาสมณะนะทั้งสีมาจากประตูไหนล่ะท่นพูดอย่างนั้นเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเป็นธร ร, รมมาธิปไตยเหตุฉะนั้นเราจึงเคารพธรรมถึงแม้เราจะพ้นไปแล้วเราก็เคารพธรรมอเพราะธรรมมีอยู่ก่อนเราถ้าธรรมไมมีอยู่ก่อนเราเราก็ไม่มีเหตุที่จะรู้ท่านพูดอย่างนั้น อริยะธรรมมีที่ตันัรูกอริยะธรรมมีอยู่ที่นอและชนทั้งหลายแล้วจะไปหาที่อื่นมันก็ไม่เห็นเพราะอารมศาสตร์ราก็ชี้เข้ามาหาเราชี้ใส่ตาใส่หูใส่จมูกใส่ลิ้นใส่กายใส่ใจมีชี้เป็นชักการณ์ในบาตชี้เป็นหกถ้าชี้เป็นสองก็ชี้ใส่กายกับใจพวกเรา ถ้าที่เป็นสามก็ชี้ใส่กายวายใจ ก, กายของเธอถ้าชี่ขี้ใสสีก็ชี้ใส่ธาตุสีของเธอทั้งหลายที่สมมติมว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ชบกลเป็นต้นถ้าชี้ลงห้าขยายออกเป็นห้าก็ขยายรูปดินน้ำไฟลมมาชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนามมะรูปนามมาธ า, มมา นามะธาตุนามธรรมนามะขันนามะอินทรีย์สองข้อเข้ากันได้รูปะธาตุรู ป, ประธรรมรู ป, ป, ร ะ, ร ป, ประขันรู ป, ประโลกก็สองข้อกันเท่าได้หรือรู ป, ประธาตุนานาธาตุยาตังพระบรมศาสนารูปธ า, าตุต่างๆธาตุต่างๆแบ่งออกเป็นสองเ ป, เป็นโลกีธ า, า ต, า ต, าตาเุเป็นโลกุตรธาตุธรรมต่างๆก็แบ่งออกเป็นสองเป็นโลกีธรรม เป็นโลกุตระธรรมขันก็แบ่งออกเป็นสองโลกุตระขันโลกียขันโลกุตระขันศีลขันหมวดศีลสมาธิขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญาวิมุตติขันหมวดวิมุตติวิมุตมติยาณทัตถนาขันหมวดวิมุตติยานัตถนาสาระหก็เรียกว่าไม้เอาแต่เอาแต่พระสวัสดิาบาลเป็นต้นไป ซึ่งเป็นโลอุตระต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกีทำก็เหมือนกันการทก็หมายเอาแต่เอาแต่พระสวดาบเป็นต้นไปขันก็เหมือนกันาธาตุก็เหมือนกันาธาตุก็แบ่งออกเป็นสองรูปประาธาต์นา ม, ม า, าธาตุรูปประโลกนา ม, มาโรคมีความหมายอันเดียวกันทีนี่กรรมฐานทั้งหลายในพระไตรโลกาธาตุ ลงไปรวมกันอยู่ที่ลูกขันนามขันในสัพไตยโลกธาตุตลอดถึงยัค ก, กวาลก็ย่นลงมาหาสังขารโลกล้นย่นลงมาหาสังขารธรรมล่นลงมาหาสังขารธาตุเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแลแตกสลาย สิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแล้วแตกสลายสิ่งนั่นก็บัญญัติว่าโลกมีปัญหาสอดเข้ามาว่าบาปของพระสวดาบันมีไหมก็มีอยู่แต่ว่าเป็นแต่ว่าไม่ถึงกลับไปอบายภูมิทั้งสี่บาปของพระสักคาคามีก็มีบาปของพระอนาคามีก็มีบาปของพระลหันไม่มีพ้นจากบาปจากบุญไปแล้วเพราะบาปก็ละพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้ว เนื้อบาปเนื้อบนไปซะแล้วบุญในทางโกลกุตระก็ทานศีลภาวนาเรานี่เองผู้ใดให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารผู้นั้นมีเจตนาทางโกลโกุตระโลกุตระเจตนาเป็นเจตนาขั้นที่หนึ่งโลกิยะเจตนา เป็นเจตนาชั้นที่สองย่นเจตนาลงเป็นสองโลกิยเกตนาโลกุตระเกษตนาปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อโลกิยเจตนาหรือถึงเราจะบัญญัติเป็นหรือไม่เป็นก็าตามถ้าเราปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเป็นลํำดับไปมันก็ต้องเป็นโลกีถ้าเรานึกถึง ให้พ้นทุกในวตาท้องสารมันก็เป็นโลกุตระสุปเิปัปโนท่านให้ทานรักษาถินภาวนาท่านไม่ได้หวังเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติอะไรเลยเช่นนางวิสาขาเป็นต้นนะท่านหวังพระนิพพานสมบัติเหมือนกันเจตนาเป็นของสำคัญมาก พยาในทางเจตนาไม่มีต้องลูกเองเป็นสันทิตฐิโกสันทิติโกในทางพระพุทธศาสนาก็ต้องหมายเอาพระสวัดาวบันเป็นเกณฑ์เอฮิปัติโกร่องเรียกให้มาดูก็เหมือนกันถ้าหากว่าต่ำกว่านั้นลงมาก็ออกเป็นเกณฑ์ไม่ได้เช่นผู้เขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็รู้จักเขาอยู่เพราะความรับไม่มีในโรค จะจันทรจัดเป็นสันทิทิกโกได้ไหมก็จัดเป็นแต่ว่าเป็นโลคีส่วนสันทิทิกโกก็ดีสวสาคาตัวทัควตาธรมูพระธรรมันพระผู้มีพระเจ้าก่าวดีแล้วก็หมายเอาแต่สุปฏิปันโนเป็นต้นไปตามก่อนนั้นลงมามันฟันฝือยแต่ว่าท่านก็เอามาอธิบายอยู่แต่ว่าท่านไม่รับรองเพราะไม่แน่นอนบางเทก็จะเข้าสู่ โรกุตละบ้าบางทีก็ไม่เข้าเพราะมันร้ายบางทีส่วนพระสวดาวันเป็นต้นไปมีบางทีเดียวเดินลุดหน้าเลยไม่แวะซ้ายแลืวขวาจะช้าหรือเร็วกว็าตามเดินไปทางหน้าเลยทางหน้าจะเดินช้าหรือเดินเร็วกว็าตามจะถึงในวันนั้นหรือไม่ถึงในวันนั้นก็าตามพูดถึงในวันนั้นคือยังไงก็คือเช่นพระอาอนุ์ได้พระสวดาวันแล้ว ตอนพระบรมศาสดาปรินิพานแล้วท่านก็ได้ได้สําเร็จพรลหัา์พระโสดาบันชนิดชนิดนี้เราจะเรียกว่าเอกพิเศก็ไม่ถูกเรียกพระโสดาบันสามารถจะปฏิบัติพระพรหารได้ในปัจจุบันในชาติแต่ว่าท่านอยู่หลายปีก็จริงเพราะมีภาระปฏิบัติพระบรมศาสด า, ส า, ดายั่งอยู่หลายปีพระโสดาบันแบบนี้ จ ะ, จะจัดว่าเป็นเอกพิชีไม่ถูกพระสวัสดา a ั a แบบมารดาของพระบรมศสาสดาของเรานะจัดเป็นพระพสวัสดา a w เอกพิชีถูกอันนี้เพราะมารดาของพระบรมศสาสดาของเรานะท่านสำเสร็จพระสวัสดา a ัเป็นมารดาของพระกะกุสันโธมาแล้วเป็นมารดาของพระโกนาคมโนามนาแล้วเป็นมารดาของกัตโตมาแล้ว พระเจ้ากัจโปมาแล้วสามพระองค์แล้วมาเป็นมารดาของพระโคตะมะก็เลยได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วขึ้นไปอยู่ในชั้นรู้สิทธิเดียวนี่ท่านยังไม่ลงมาหรอกท่านจะลงมาเกิดในเมืองพารานาสีเมืองพารานาสีจะได้ไปชื่อว่าเป็นเมืองกุตุมมวดีจะได้ตัสรู้ที่ไม่กากระถิง่งคือไม่กระทุ่มเลือดพระศิเยเมตไตก็จะลงมาเกิดที่นั้นแต่ในเวลาที่ท่าน อยู่ในชั้นดูสทิทุกวันนี่คงไม่พอสามปีในชั้นดูสิหรือไม่พอหกเดือนในชั้นดูสิตแต่พระบรมศาสดาของเราปัพันนีน้านมาแล้วเนี่ยพระผู้จะเป็นพระศรีเมตตาก็คือพระอาชิตตะได้มาบวชในศาสนาของพระสมาด็จพพุทธเจ้าของเราอยู่ท่านก็ไปเกิดในที่นั้น พาบริษัตรบริวารไปไหว้ธาตุเจดแย่จุลลมณีอยู่ประจําวันเจ็ดแสนโกดบริวารของท่านภาษียมอมไตบางท่านบอกว่าภาษียมอมไตลงมาแล้วอยู่ที่นั่นบ้างอยู่ที่นั่นบ้างก็มาลงมาสิโกหกกินขนมเขาไปโกหกกินขนมเขายังไม่ท่านมามันจะพอสามเดือนสี่เดือนอะไรที่ท่านเข้าสู่พนิพานไปนี่ในช่านนี่ ยังอีกอโขอจึงจะลงมาเกิดในเมืองภาราณสีไปเที่ยวไปเที่ยวโกหกคนว่าพระศรีอรันยมเมศใจลงมาแล้วท่านไม่ลงมาท่านพาเทวบุตรเทวดาทําบุญอยู่ประจำวันอยู่ไปลว่าท้าิเจ้าเจ้าจุนลรมณีอยู่ ทนี่จะเอาทางลัดหรือเอาทางโคกทีนี่โวหารมันต้องหารลงมาในปัจจุบันหารลงมาในจิตปัจจุบันถ้าต้องการหารไม่ต้องการหารเวลาเราพูดมากเราก็ไม่สงสัยในมากเวลาเราย่นมาเราก็ไม่สงสัยในย่นเชือกเส้นเดียวเวลาเราขึงไปยาวเหยียดเราก็ไม่สงสัยในเชือกเส้นนั้นเวลาเราดึงมามาโค้งไวเราก็ไม่สงสัยในเชือกเส้นนั้นคําสอนพระบรมศาลารก็เหมือนกัน เรียกว่าสังขโห o แปดมื่นใช่ไหมรมขันเรียกว่าสังขโหไม่ได้สงเคราะห์ที่สงเคราะห์ลงมาก็มาหาเอกจิตเอกธรรมในปัจจุบันนั่นเองนั่นผสมมะเทศนายังไม่บรรยัติปาราชิกสังกาดิเศษเนอแต่บรรยัติอยู่ในตัว พกกระธรรมจักรกวัตตนสูตรมันข้อแปดหมื่นสีพระธรรมมขันแล้วอัตถังชิโกมัคโคเสยยะธิทงังสัมมาทิสัมมาสังกปรวาจากัมมันโตอาชีโววายโมสติส ม, มาธิในฝ่ายในฝ่ายข้อปฏิบัติเบื้องต้นก็ยกชาติชราพยาธิมันก็ข้อแปดหมืนสี่พระธรรมมขันแล้วสูตรไหนที่ ม, 80, ทม่นข้อแปดหมื่นพิีพระธรรมมาขันไม่มีสักสูตรเลย เช่นรัตนสูตรก็ครอบแปดหมื่นสีพะระธรรมขันธ์มุขคอนสูตรก็ครอบแปดหมื่นสีพะระธรรมขันธ์อเสวนาจพารานาะงอย่าไปครอบผ่านชาติชาเพียงเม็ดเนอ้อพลก็ครบบัณทิตครบบันทิดในที่นี่บันทิตชั้นที่หนึ่งคือใครก็คือพระหันนั่นเองนั่นก็ครอบแปดหมื่นสีพะระธรรมขันธ์แล้วนะ ปันทิตานันจะในที่นี้ปันทิบันทิปชั้นที่หนึ่งคืออะไรก็คือพระนั่งนั่นเองนั่นก็ข้อแปดหมื่นทีพระธรรมคันอยู่ในตัวสมานานันจัดสนั่งเห็นสมณะสมณะชั้นที่หนึ่งคือใครก็คือพระรนั่งนั่นเองนะัชั้นที่สองก็อาณาคามีชั้นที่สามสัคตาามีชั้นที่สี่คือก็ก็คือพระโสวดารันตาเรนะธรรมะสาคชา การฟังทำตามการตามเวลาทำของพระบรมศาสดาก็นับแต่โลกุตระธรรมลงมานะก็าข้อแปดหมื่นที่พระธรรมคันเหมือนกันอนุญสัจจานทัทชนังเนพานาสจิจิริยาจักจงทําให้แกลงซึ่งพระเนพานอนิญาสัจจ า, รราอนุญาตสัจสี่อันนี้ก็าข้อแปดหมื่นทีพระธรรมคันขยายออกเพราะฉะนั้นทำแต่ละวัตระบาดข้อแปดหมื่นีพระธรรมคันหมด มันขึ้นอยู่กับผู้ฟังถ้าผู้ฟังแก่กล้ามาแล้วมันก็น้อมขยายออกเพิบเลยหรือจะย่นเข้ามาก็เข้าใจเพิบเลยมันขึ้นอยู่กับบารามีของแต่ละท่านที่อบรมมาเช่นท่านผู้ภาวนาละโชละนังละชงังฮัลติอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นบินิกรรมมาภาวนาทําไมจึงแตกฉานในปฏิสัมมิสาสีแล้วก็พระบารามีท่านแก่กล้ามาแล้ว กันเทศแต่ละกันส่งต่อพระนเพานหมดเช่นเทศพระพาหิยะเป็นได้ศึกศักว่ารูปเป็นแต่ศักว่าเห็นเนอเอาละครับพอแล้วท่านเทศอนัตตารมเพราะท่านปฏิบัติเคร่งคัดมาแต่ข้างพระเจ้ากัตปะแล้วทีเรื่องผักบันไดผักบันไดทิ่งในภูเขาท่านก็มาเกิดในศาสนาพูทของเรา ก็เทศบาดคาทาเดียวท่านก็เป็นพระรหันเลยเทศอนัตตาใส่เป็นแต่ศัพ์ว่ารู้เป็นแต่ศัพ์ว่าเห็นเพราะไม่ใช่สา์ไม่ใช่บุคคลหมายความว่าจะทําผู้รู้ผู้เห็นให้แตกกระเจิงไม่ให้ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่านก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับพอแล้วท่านเหลียพระรหันแล้วน่ะเพราะเหตุใดเพราะเห็นบาลมีแจก้ามาแล้ว นะโมพระโสดาบันนะโมพระจกกทาคามีนะโมพระอน า, าคามีนะโมพระละหันนะโมเปรตโนมน้อมพระละหัน์นอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายพระโสดาบันนอบน้อมไม่หลงทางพระจกกทาคามีนอบน้อมละเอียดไปกว่าพระโสดาบันาทาราคะโทสะโมหะของท่านเบามากกว่าพระโสดาบัน ส่วนนโมของพระอนาคามีนอมนอมจนไม่มีราคะนอบนอมจนไม่มีโทสะส่วนนโมของพระพันนอมนอมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายนโมพระปัจเจกอีกทีนี้นโมท่านท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สอนใครเลยนโมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้น้อมนอมจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นั่งมีคุณค่าต่างกัน พุทธะสี่จำพวกก็มีคุณค่าต่างกันสัมมาสัมพุทธะจำพวกหนึ่งปัจเจกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งจะตีคุณค่าเสมอกันไม่ได้สัมมาสัมพุทธะอรหันต์เป็นพระอรหันต์ขั้นที่หนึ่งปัจเจกพุทธะเป็นขั้นที่สองสาวกพุทธะเป็นขั้นที่สามสาวิกาพุทธะเป็นขั้นที่สี่ ทำไมในพระเวในยจึงบอกว่านางพิกษุนีจะสำเร็จพระรหัสนในวันนั้นก็ตามห้ามาให้ประเทศพิษุพุตุชนคนหนาพระบรมศาสด า, ศาห้ามาให้ไปประเทศพุตุชนคนหนานางพิษุนีจะสำเร็จพระรหัสนในวันนั้นก็ตามพระพิสุพุตุชนคนหนาให้เทศได้ต้องเคารพ พระพ็กสุพุทุชนคนหนานามิสุธีจะเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นก็าตามนั่นมีชั้นวันนะพระพุทธศาสนาทีนี้พูดแต่สูงลงมาหาต่ำทีนี้เหมือนหายใจเข้าออกเหมือนเราขึ้นบนันไดเดี๋ยวก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไป แล้วลงมาแล้วก็ขึ้นไปกลับไปกลับมาพระพุทธศาสนาสอนคาราวะสอนอย่างไรบ้างสอนพระพุทธสุสอนอย่างไรบ้างสอนคาราาาวะา ด, ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบโดยเมตตา ด้วยวัคีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยเป็นผู้ไม่ห้ามไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนด้วยให้อมิตรทานสมณพราหมณ์ได้รับบำรงชีวแล้วย่อมอนุเคราะห์คุณระบุตรคือคราวาดดวสวิชฐานห้าหนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่ว สองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่หกบอกทางสวรรค์ให้หน้าที่ของพระนะหน้าที่ของพระจะไปเล่นเลขเล่นผ้าเล่นบัตรเล่นเบอร์ก็ไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้ว ที่นี่ผู้บาลมียแกกล้ามาแล้วก็ไม่มีมากปัญหาไม่มีมากผู้ต้องการไปทางรัฐก็พิจารณาวิปัสนาให้มากสมถะเอาเป็นเพียงบาดวิปัสนาเท่านั้นก็เดินเลยโดยวิปัสนาเลยจะไหว้พระอะไรก็ไหว้ซะจะไหว้น้อยได้ไหว้า ย, ยากไหว้ามากก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับลูกผู้เดี๋ยวนี่ยอดรองแล้วถ้าวันไหนง่วงจึงไหว้พระมาก ถ้าวันไหนแม่ม่วงก็ภาวนาไหว้พระไม่มากหรอกขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายอันไม่มีประมาณเพื่อเพลินทุกในวัฏจักรงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดขอกราบไหว้พระธรรมทั้งหลายขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันไม่มีประมาณเพื่อเพลินทุกในวัฏจักรงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดขอกราบไหว้พระริยะสงฆ์ทั้งหลาย ทำอะไรที่รดพ้นไหมกับกอกไม่ได้เศษข้าพเจ้าจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทินแล้วภาวนาเลยทีนี้สำหรับเราจะพ้นหรือไม่พ้นต่อตามเราต้องจะยอมตายคาภาวนาพ่อคำลมเข้างลมออกเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นจะทำลายอุ ป, ปาทาน ไม่ให้วิญญาณประตูตีส้สนเทปไปเกิดที่ไหนส่วนนิมิตต่างๆภาวนามันเจอมาแล้วนิมิตเทียมมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าหมายไว้ที่ไหนก็เป็นนิมิตหมดในไตร่วกระทะเนี่ยเป็นนิมิตแต่เป็นเครื่องหมายในไตร่วกระทะเนี่ยเป็นกรรมฐานหมด ฐานะแปลว่าที่ตั้งอยู่ในไตโรกท่าเกิดขึ้นแล้วแปลปวนแตกสลายสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วแปลป่วยในแตกสลายสิ่งนั้นก็เป็นกรรมฐานในทัพไตโรกท่าเนที่ไม่มีกรรมฐานไม่มีเลยพิจารณาอันหนึ่งแล้วก็แล้วหมดในด้านปัญญาพิจารณาอนิจจังก็แล้วหมดในด้านอนิจจังในไตโรกท่า พิจารณาทุกข์ก็ต้องแล้วมดในใจโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยมีรสชาติเป็นอันเดียวกันสิ่งจะทุกข์น้อยทุกข์มากก็ตามก็ทุกข์จนทนไม่ไหวนั่นเองจนทิ้นลมปราณนั่นเองจนแตกสลายนั่นเองนัลักษณะที่มีเสมอขันตันแก่สังขารยังปวงเรียกไตลรลักษณะแจกเป็นสามอย่างอันนี้จะตาความไม่เที่ยงอานัตตาความเป็นทุกข์อา น, นิจจตาทุกขาตาความเป็นทุกข์อา น, นิจจตาความไม่เที่ยง ท, กทกุกตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนกรมกืนกันอยู่ในคณะเดียวเลยไม่ใช่อยู่คนละมุมโลกไม่ใช่ว่าอนิจจังจะอยู่เป้าอันหนึ่งทุกจะอยู่เป้าอันหนึ่งอนัตตาจะอยู่เป้าอันหนึ่งก็อยู่เป้าอันเดียวกันคือเป้าอะไรเป้ากองนามรูปนั่นเองเป้าที่เราเพ่งอยู่นั่นเองนะเพราะเราดึงโลกมาพิจารณาหมดแล้วดึงทำทั้งหลายมาพิจารณาหมดแล้วเนี่ามาฐานในไตโลกาาธาตุในพระพุทธศาสนามารวมอยู่ที่ไตรักผู้ใจภาวนา ดิเดตสักเพียงไหนก็ตามเทพบุตรเทวดาอินพรมยมยักษ์สักเพียงไหนก็ตามถ้าไม่ปรองทําลงถูตายรักแล้วก็ไม่สามารถจะทิ้งความสงสัยนักอดีตคืออะไรคือไตายรักที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือไตายักษที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือตายรักที่ยังกำลังเป็นอยู่อดีตคืออนิจจังทุกขรังอนัตตาที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออนิจจังทุกขรังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออนิจจังทุกขรังอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่เราจะพิจารณาสําคัญหน้าเรา เป็นอดีตรเราเป็นอนาคตรเราเป็นวัจจุบันจะสําคัญว่าเราเป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาก็ไม่ถูกจะสําคัญว่าอนิจจังทุกขั้งอนัตตาเป็นเรามันก็ไม่ถูกก็ต้องแยกออกเราไม่มีในธรรมธรรมไม่มีในเราเราไม่เป็นเจ้าของธรรมธรรมก็ไม่เป็นเจ้าของเราธรรมเป็นของกลางอยู่ถ้าสําคัญว่าเราเป็นเจ้าของธรรมอย่างนีน้คนอื่นไปปฏิบัติธรรมก็จะมาขอเอาจากเราเสียก่อนนั่น เหตฉะนั้นทำเป็นของกางทำเป็นไดสักว่าทำใจเป็นไดสักว่าใจผู้รู้เป็นไดสักว่าผู้รู้ลมเข้าลมออกเป็นไดสักว่าลมเข้าลมออกให้เห็นพร้อมกันกับลมเข้าลมออกพิจารณาอะไรมันจิงมีหลักถ้าไม่เห็นพร้อมกับลมเข้าลมออกมันก็ไม่มีหลักมันก็ไม่เชื่อตนเองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะไม่ตกหรือี่เอาแกกหนังสือเฉยไง แล้วก็แก่ฟังแก่เรียนมาแล้วถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามกันเดี๋ยวนี้พูดไปไหนมันก็มาไปมันมันก็ไม่ไปหรอกมันก็โค้งมาหาผู้ฟังกับ ผ, ผู้ผู้ปฏิบัตินี่เองฮะเรียบร้อ ย, ว เ, ยวเวลาเท่าไหร่แล้วพูดเนี่ยฮะเวลาพูดมาเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยเออพอดีไหมพอดีมั้งพูดมากก็เบื่อหูนะ ผู้น่าก็เบื่อหูมันกันล่ะเบื่อหูแล้วก็เบื่อเสียงซะแล้วับไม่สําคัญว่าตนเป็นหูไม่สําคัญว่าตนเป็นเสียงไม่สําคัญว่าตนเป็นตาเป็นหูจมูกเล่นกายใจไม่สําคัญว่ารูปเสียงกลิ่นรสถูกเถพระธรรมารมณ์นตนไม่สําคัญตนั้เป็นอดีตไม่สําคัญตนเป็นอนาคตไม่สําคัญตนเป็นปัจจุบันมันก็ข้ามอดีตมันก็ข้ามอนาคตมันข้ามปัจจุบันไปในตัวอื ไม่สําคัญอาูรเป็นตนไม่สําคัญอาตนเป็นภูรูมันก็ข้ามภูรูไปในตัวไม่สําคัญตนว่าเป็นปัจจุบันไม่สําคัญว่าปัจจุบันเป็นตนมันก็ข้ามปัจจุบันไปถ้าข้ามปัจจุบันได้มันก็ข้ามโลกได้เหมือนกันเพราะสรัพย์โลกถ้าพวงรวมลงมาในปัจจุบันอาโลกสังขารถ้าพวงรวมลงมาในปัจจุบันสังขารนะด้านที่พัฒนาร่ล้วนไม่ใช่สมาธิหัวต่อที่นี่แจกหนังสือกันซะที่นี่ เดี๋ยวฝนจะตกถ้าใครท่านผู้ใดสงสัยอะไรก็าถามกันเทศคนเดียวเป็นว่าอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้ว่าท่านผู้ใดขัดข้องอยู่ที่ไหนเดี๋ยนด้ะเอาแก้เคลื่อกันแก้เคลื่อกันนังสือที่ยังเดี๋ยวด้ะ ถ้าท่านผู้ไดท่านผู้ใดไม่สามารถจะอ่านก็ไม่ต้องเอาเนอ้อเห็นคนอื่นเอาก็เอาไปทิ้งเฉยเฉยยไม่ยอมเนอ้อราคาสูงสงสารคนยอมผู้พิมพ์ให้ท่านผู้ใดสามารถจะอ่านจบจึงเอาเนอ้อดิฉันไม่สามารถจะอ่านจบจะเอาเล่มเดียวก็บอกซะเอาไปทิ้งเฉยเฉยมันก็ไม่ดี สงสารคนโยมที่พิมพ์ให้แต่ก็ไม่อยากเอาไว้ข้างท้างร่างหรอกเพราะมันอยู่ต่ามันไม่มีที่ไว้แล้วก็ดึงนี่ลงมาแล้วก็กันหนูเนี่ยนี่เอาไว้ที่อื่นมันกันหนูไม่ได้เอาไว้ที่นี่นกันหนูได้เนี่ยเพราะข้างบนนี่ ข, นนข้างบนมีแต่พระพุทธรูปไม่มีใครขึ้นไปนแล้วก็ไหแบบฝืดๆเหตุฉะนั้นเราจึงไม่เอาพระพุทธรูปลงมาไหว้วข้างล่างแล้ว ทั้งงานทั้งงานมันเสร็จแล้วก็นนี้ว่าจะให้ถัดดินเลยโยนลงมาถัดดินน้ำไฟลมเลยเพราะสิ่งของก็ทําขึ้นจากดินน้ำไฟลมวัส ด, ดุทั้งหลายทําขึ้นจากดินน้ำไฟลมแตกสลายลงมาเป็นดินน้าไฟลมอีกเหมือนกัน เวลาเอาไปไว้เอาไปไว้หิฮงพระเนอะ้ออย่าพากัไปข่าอย่าพากัไปข้ามเนอ้อบาปเนอ้อเอาไปไว้หิฮงพระเนอะ้ออย่าไปให้ลูกหลานไปเขียนรูปนกเล่นเนอ้อมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเนอ้อถือเอาถือเอาของไขรของมันใส่กระเป๋าของไครของมันเอา เดี๋ยวเอาไปในรถไปแจกกันมากก็แจกไม่ทันปฏิบัติเพื่อพันทุกในวาระสงสารปัญหาไม่มากปฏิบัติเพื่อราพเพยศปัญหามาก็มาก สร้างกุศลผลบุญเพื่อมรักผลในผานเจตนามันไม่มากเจตนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแล้วมันไม่มากเน้อเออเจตนาอยากได้เลขได้ผาเนี่ยอันนั้นเปนเจตนาลงนรกนาะที่จะไปภากัรทำเจตนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ช้าอย่างเดีกันเจตนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัตฏสงสารโดยด่วนเท่านั้นไม่ไม่มากปัญหา เราทำอะไรก็มีอำนาจอะ น, นั่นพุทธโธทคาเดียวก็มีอำนาจที่นี่ผู้ผู้อยู่ข้างล่างขึ้นมาแล้วยังไงฮะฮะมีกี่คนฮะจีบกอดคนผู้อยู่ข้างล่างขึ้นมาไม่ได้คนแก่ออเดี๋ยวเดี๋ยวคนแก่ที่อยู่ข้างล่างสงสารเอาไปให้ด้วยขึ้นมาไม่ได้ น้องสาวคนแก่ที่อยู่ข้างล่างเอามาไปให้ด้วยมีกี่คนฮะสิบกว่าฮะสิบกว่าคนเออเออเออเอีอ่ย <c oughs> เนี่ยเนี เอามือวางไว้มักจะฝันไม่ดีเลือดมันไม่เดินเอามือข้างเลยเลือดอกมันเดินไม่สะดวกนอนหลับคาภาวนาเรียกว่านอนเป็นนอนไม่หลับคาภาวนาเรียกว่านอนไม่เป็นหับคาภาวนาเลยจะนอนง่ายกว่าตามจะแทงข้าขวากว่าตาม จะจะแค่ข้าง้ายก็าตามก็นอนภาวนาไปในรถในเรือก็เหมือนกั น, กนต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นฉี่ด้วยต้องภาวนาด้วยภาวนาอยู่ที่นี่แต่อย่าให้จิตมันรวมถ้ามันจิตมันรวมเดแล้วเขาล่วงกระเป๋าถ้าไปรถเมล์มันไม่รู้นะให้จิตมันรวม <S <S> <S ให้มันอยู่กับกรรมฐานเดิมเท่านั้นอย่าให้มันรวมมุบเลย เขาบรรลุมุม้บเลยแล้วเขารวกบกระเป๋าละรวมข้าข้างไหนเห็น ร, รอบรอบหนึ่รอบหนึ่งแล้วไม่ไม่แต่ไม่ต้องการเห็นอันนี้จางาคณะกิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกรอบหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันถ้าคนเราไม่เอาปัจจุบันเป็นตัวประกันพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเทศก็ไม่เข้าใจหรอก เหตุเนั้นจึงเน้นปัจจุปันันจะโยธรรมางผู้ใดเห็นธรรมในปัะจวนเพราะนั้นแม่ง่าแย่นกรเคลนเลยในทางพุทธศาสนาเลยชั้นทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรหมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตองในเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอัจชักนำบุคคล้าความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สติความและรู้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่แห่งเดียวกันสมาทิิเห็นชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาสังกโปดัมลิในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาวาจานึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมากรรมันโตการงานคือกรรมฐานที่ตั้งไว้ สัมมาวายาโมพยายามในกรรมฐานที่ตั้งไว้สัมมาสติและรู้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ส ม, มาสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่แห่งเดียวกันเป็นเชือกแปะเกี่ยวถ้าเราจะไปขยายตามแม่ของมันมันก็ไม่ไววแล้วมันไม่ลง ล, ละอาทิศินสิขาสิขาคือสินยิ่งในกรรมฐานที่ตั้งไว้ อธิกิตตะเสขาสิกขาคือจิตยิ่งในกรรมฐานที่ตั้งไว้อธิปัญญาศิกขาเสขาคือปัญญายิ่งในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไม่มีความหมายอันเดียวกันศีนตัดสีนลงในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้แต่ละชั้นละชั้นละชั้ แต่ในช่้นในช่้นของพระโสดาบันสัคขาคามีนาคามีพลานผู้ใดไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดจีน้าผู้ใดไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นผู้ใดไม่เสียดายอยากจะขอดเวรท่านผู้ใดผู้ใดไม่เสียดายอยากจะถือเวทมนตรราคาถาผู้ใดไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็ น, นเนื้อสัตว์ที่ตั่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนำา้ำมานค้าขายยาพิษถ้าไม่เสียดายสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นก็คือพระโสดาบันเราดีๆนี่เอง ส่วนจะเเอกภพีหรือโกลังโกละหรือสตัตว์ขตตปัลมะนั้นมันเป็นเรื่องของเจ้าของจะรู้เองอนะพระสวสดาบันเอกภพีเป็นสัตเป็นปัญญาทิกะเป็นพระส ว, วัสดิบาลปัญญาทิกะพระชะคาาคารีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็พระอนาคามีผู้ปริลิพฐานในภพที่เกิดก็เหมือนกันพระอนาคามีอุฒนทางโสโตุลเป็นโมหะจริตนะ่ ก็จะไปเกิดในพม่าโลกหลายๆสั้นพระวัดิบาลเอกาพิจีตรพระสกทาคามีเอกาพิจิตรพระอนาคพระสวสดาบรลโทสะจริตเป็นเอกาพิจิตพระอราหันทรุไค ป, ปัจโกเป็นโทสะจริตเจริญนี่พัชนาสามส่วนสมัะส่วนเดียวกลงตืนกันไปพระอาหารหันทร เวทโชชนะเป็นโยปฏิสัมพิทักษ์ปัตโตเจริญ น, น, นิปัจจนาจะเจริญเจริญสมถะสามส่วนนิ่ปัจจนาส่วนเดียวเพราะปัญญาไม่แก่กล้าเพราะบรมศาสตราของเราเป็นปัญญาธิกะจึงสร้างาวารมีสีอสงไขยแสนมหาตับแต่รวดคติของพระอรหันต์อันเดียวกัน เราได้ศาสนาดีพอแล้วแล้วไม่ต้องสงสัยเลยใครจะมาเป่าหูไปทางไหนก็ไม่ไปละในไตรโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสน า, าหมดสังหารีมาทรัพกรีอสังหารีมาทรัพย์กรีวิญญาณะกับทรัพย์กรีสัวิญญาณะกับทรัพย์กรีคําสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาหมดดูในตัวเหมือนเข็มทิศจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามชี้ไปในทางทิศเหนืออยู่ไม่มีกัางวันกลางคืน เทียบในทางเลือกซึ่งเพื่อให้คำหนึ่งด้หลายทางน้ําให้หน้องครองเมืองบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวกันใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวกันนัไม่พูดอีกก็จึงอีกแม่ขึ้นอยู่กับผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับไม่ผู้ไม่รู้อัปปมาโนพุทธโธคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัปปมาลาธโมสังโฆก็เหมือนก็ไม่มีประมาณถึงจะย่อดลงมาเป็นพระวิสุทธิคุณ ที่คุณละพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณก็เหมือนกันก็หาประมาณไม่ได้ถึงจะย้อนลงมาหาเอกคุณในปัจจวัติบัญญัต่างก็หาประมาณไม่ได้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้และก็มีอยู่ทุกการด้วยใครจะเขารบหร้อไม่เขารบไม่เป็นปัญหาใครจะรู้หรือไม่รู้มัเป็นปัญหาคุณพระพุะทธธรรมประสงค์ก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาหาได้ศูญหายไปไหนไม่ พราะเป็นโลกุตระคุณไม่ใช่โลกีคุณคุณมาพุทธธรรมประสงค์คุณผู้คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้เมียคุณเป็นเมืองขึ้นของคุณพุทธธรรมสงฆ์คุณของพุทธธรรมสงฆ์เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานไปรวงชกี่วกันอยู่ที่นั้นข้อนี้ควรคิดนะ สังหารี่มาทรย์อสังหารี่มาทรย์ก็ตามวิญญาณกระทรับสักวิญญาณกระทรับกตามในแตโ่โลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเป็นน้ำลายของพระละหันวัส ด, ดุภายนอกสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนา่ะไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเห็นแก่หน้าค่าซื้อเขามาทําให้ เบอเรามาฌานธรรมด า, าเขากล่าวตัวว่าเป็นพุทธภาณิชย์ก็พุทธภาณิชย์สิพระ ไ, ไปไปิฎกก็บอกแล้วสังหารเนี่ยมาทรัพย์อสังหาเนี่ยมาทรัพย์ก็ตามวิย ญ, ญาณก็ทัพก็นีสเวิยญาณก็ทรัพก็ตามไม่เท่าทรัพย์พระพุทธศาสนาท่านยืนยันแล้วมันมีอยู่ในตัวใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใครจะให้คะแนนหรือไม่คะแนนก็ตาม พระพุทธศาสนาไม่ได้หาเสียงหาพักเป็นจริงอยู่อย่างนั้น่ะใครจะเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใ ส, สก็าตามพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ใครจะระลึกถึงฝ้าอากาศหรือไม่ระลึกถึงก็ตามฝ้าอากาศก็มีอยู่ใครจะเบียดเบียนฝ้าและอากาศไม่ได้พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันในไตรโลกธาตุจะเบียดเบียน พ, พระพุทธศาสาาน า, าเบียดเบียนไม่ได้เหมือนวัวน้าลายขึ้นฟ้าตกใส่หน้าของตอนเองเหมือนควางปลาใส่ต้นเสานักโมเอกหลบไม่ทัน ใครจะลบดูรูหมินสักเพียงไหนกว่าตามพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นตามผู้ลบดูรูหมิน่นไหนพระโมกคลาจึงทิ้งสนชัยนาตบุตรมาก็เพราะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเลื่อมใสพระอริชชิจึงสำเร็จทศวสราบันนั้น ชาจาพิฐานานิอภพโภกาตุงอีธรรมปิสั่งเทรัตนางมณีตังเอเทงิทรีนัสเจสวัติวัตถุพระโสดาบันไม่ยอมถือสาตราอื่นสูตรอันนี้เป็นสูตรพระโสดาบันเน้อยเนี่ยพระโสดาบันทาความผิดแล้ว ไม่ปกปิดความผิดของตนกาเยนาวายาโยุธเกตสาวาอภะโพโหตตะปิจฉาธายาภะตาทิจฉาปิจฉาบุตตาอิดัมปีสั่งเคระตระนางมณีตังเป็นรัตะ น, นะอันปณิของพระสงค์ก็สูคือสูตรพระสวสดาวันอัน่นีอยจักรยคิดทิวิกีคิจฉีตันจะทถิรัพตังวาปีอันนี้ก็สูตรพระสวสดาวันวโลรลันดูวโรอาโน อันนี้เป็นสูตรของพระสมานขอพะพุทธเจ้าขีนังโพรานังนาว่างนาถีสัมภะวังเวทตาเจตาอันนี้เป็นสูตรของพระหลเนผู้นายในภพต่อไปแล้วมียางอันงอกไปได้แล้วย่อมปณิพานเหมือนดังประเทศยทายมปดีโปยิลัมปีสั่งเกรัตนังปณีตังเอ เ, เตนะสเจนะสุวัตีหตุผู้นายในภพต่อต่อไปแล้วไม่ยินดีในพบทั้งปวงผู้นั้นตัดตัณหาทั้งรากแล้วย่อมปณิพานเหมือนดังประเทศ หมดทั้งไส้หมดทั้งไฟด้วยหมดทั้งน้ามันด้วยทําไมจึงเบื่อหน่ายในพบต่อไปก็เพราะเห็นว่าพบทั้งหลายเต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกขรั้งอนัตตาเกิดขึ้ น, นแวปรปว น, นแต่สลายเขารวบหมัดหมดแล้วผู้ที่พิจารณาอ น, นิจจังทุกขรังอนัตตาเป็นอารมณ์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เขารวบมัดกรรมฐานมาแล้ว มีกำลังมากพระอนาคามีบางพระองค์พิจารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่ในชุดทวารบางพระองค์ก็พิจารณาทุกทุกความกำลมหายใจอยู่ในสุดทาวารบางพระองค์ก็พิจารณาอนัตตาความกำลมหายใจเข้าออกอยู่ชุดทวารพระอนาคามีมีห้าจำพวกแต่ละจําพวกก็มีตั้งร้อย พระสวัสดิ a w a มีสามจำพวกพระสกทาคามีมีจำพวกเดียวพระนาคามีมีห้าจำพวกพระทหันมีสี่จำพวกสุขายาปตโกก็มีตั้งนั้น้านเตวิโธก็มีตั้งนั้นลรานชละพิญโยก็มีตั้งรันรานพระจิสัมพิทัพโตก็มีตั้งรัน้านพระสวัสดิ a w a เอกับพิชิก็มีตั้งรันลรานโกรังโกละก็มีตั้งรัน้านทักตัคตุก็มีตั้งรัน้าน พระ อ, อนาคามีก็มีจำพวกเดียวก็มีตั้งนันล่านพะสกทาครังพระพ อ, อนาคามีอันตรารปลิญญาภัยท่านผู้จะปริญญาภายในระหว่างแก่อายุยังไม่ทันถึงกึง่งมุกขะจักปลิญญาภัยจวนจะถึงที่สุดแล้วผ้ากึ่งไปอายุสะสังขารแล้วปลิญญาภัยพิจารณา ทำความเพียรเรียวแลอะสังขารับปริเนภานจะปริเนภานด้วยในต้องความเพียรใช่ความเพียรนักวุฒังโสโตอันนี้สักกะามีผู้จะมีกระแสพลังบนขึ้นไปสู่ชั้นอากาศนิสักกบับภพให้เข้าใจแค่ว่าพระอนาคามีสี่ประเภทข้างต้นปริเนภานในภพที่เกิดนั่นเองสองประเภทข้างต้นกําหนดด้วยอายุสองประเภทข้างปลายกําหนดด้วยความเพียร พระเพรข้างใต้ต้องเลื่อนขึ้นไปเกิดในภพสูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงชั้นอาการิธากะแล้วจึงปรินิพพานในภพนั้นพระนาคามีวุฒิทางโสโตบางท่านก็ไปเกิดอวิหาออากากอวิหาก็ไปเกิดอัตปาออกจากอัตปาก็ไปเกิดสุสัชสาออกจากสุสัชสาก็ไปเกิดสุสัชสีออกจากสุสัชสีแล้วก็ไปชั้นอาการิธากะแล้วก็ปรินิพพานในภพนั้น พระนาคามีอุทังสโตบางจาพวกอวิหารไม่เกิดไม่เกิดอัตตาออกจากอัตตาไปสุดศึกษาออกจากสุดศึกษาไปสุดศีออกจากสุดศีไปอาการิศกาเรียกว่านี้ในภาในภพนั้นบางจําพวกอวิหารอัตตาไม่เกิดไปเกิดสุทศักษาออกจากสุดศึกษาไปสุดศีไปออกสุดศีแล้วก็ไปอาการิศกาบางจําพวกอวิหารอัตตาสุทศึกษาสุดศีไม่เกิดไปเกิด ขั้นอาการนิสกาเลยก็มีก็ปณิยพาพในพบนั้นโอไม่ใช่ไม่ใช่ไปเกิดอัตาอตาอสุทัสสาสก่อนจึงไปเกิดทุทัสสีไปเกิดทุทัสสีสก่อนจึงไปเกิดอาการนิสกาให้เข้าใจว่าสีประเภทข้างต้นปรนินภาพในพบที่เกิดนั่นเองสีประเภทข้างต้นกําหนดโดยอายุสั้นหรือยาวต่างกันและความเพียรความเพียรแลวแรงก็มีความเพียรไม่แล้วแรงก็มี อสังขารและปณิพยพายไม่ได้ทำความเพียร น, นักทำความเพียรสังขารและปณิพยพายต้องทำความเพียรแล้วแหล่ะอะสังขารและปณิพยพายไม่ใครทําความเพียรละมากวางท่านมาโกโหกว่าพระอนาคามเมก็ดีพระสวสดาวันก็ดีเมื่อเป็น ตัวดาวันหรสักคาคามีหรืออนาคามีในพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ต้องประริเนภานในองค์นั้นจะไปพระริเนภานในที่อื่นไม่มีเราก็ไม่เชื่ออันนี้บางอาจารย์มาเทศเราอย่างนั้นเราไม่เชื่อเรามีที่อ้างพระอนาคามีบางพระองค์ก็อยู่ในอวียาอัตตปาสุสสาสุาสีพระบระมศาสดาขึ้นไปไปถามท่านมาอยู่นี่นานขนาดไหนแต่ข้างพระเจ้ากัจจปะพระเจ้าข้านั่น พระะกามารมโทสะมขาดแล้วก็มาอยู่ที่นี่นั่นมีที่อ้างในมหาสมัยสูนมีอยู่เสยสุดเทเวสุอันตราหิตาพระกวาโตโพลโตปาตุระหังสุ พรโคตาเทวตาพระวันณังยวาเทตัวเอกามันตังอัตตังตุเอกามันตังทิตาโคเอกาเดวตาปะกวาตูท่านตีเกอีมังกาทั้งอะพาสีลงมาถามพระบรมศาสีราอยู่ที่ป่ามหาวันอยู่ลงมากราบทูลแล้วพระบรมศารีราก็ขึ้นไปพระพุทธศาสนามันลึกซึ่งมากกว่าศาสนาอื่นๆมากมายนักศาสนาอื่นๆสร้าง คนนั่นสร้างโมเดียมาเท่า <PT> นี้เท่าไรสร้างมเดีมาเท่านี้เท่าไราซะพระพุทธศาสนาไม่คาพภาษาดีบุตรสร้างโมเดีมาแต่ปางไหนแต่ปางพระเจ้าอโนบัติสทพระโมคคัลลาพอเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าทีปังกรนั่นไม่คาเลยพวกนั้นคาทีนิศาสนาอื่นสร้างโมเดีมามากเท่าไรเช่นพระเยชูอย่างนี้สร้างโมเดมามากเท่าไรไม่ได้ความใช่แล้ว ปู่ย่าตาพี่ลของท่านชื่อยังไงเยเชย่าชาจะว่าอย่างนั้นหรือไม่ได้อีกไม่มีไม่มีผงสาวดาลไม่มีปกระละนัไม่มีประกรณี่แล้วนะอืนั่นผู้เลื่อมใสศาสนาพุทธเป็นคนมีบาวแล้วมีแก่กล้ามาแล้วเพื่อใดแม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนา จะมีเงินกี่ด้านล่างก็ตามเรารู้จักภูมิใจเลยไม่ต้องนั่งภาวนาไม่ต้องนั่งภาวนาให้มันยากพูดถือว่าไม่มีบาปไม่บุญคำว่าถือว่าไม่มีบาปไม่บุญก็คือโลกันตานระกวันขุ่มมืดเสียงปฏิเสธว่าไม่มีบาปไม่บุญก็ไม่เสียงอื่นไกลเสียงเอาจอบขุดที่ดินฝังตัวเองไม่ใช่เสียงพูด เสียงกรอบคุดดินฝังตนเองตัวเองเสียงกรอบเสียงเสียมเสียงว่าไม่มีบาปไม่มีบุญผู้ใดถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญหรือถือศาสตาอื่นเราก็เห็นภูมิใจเลยมันอยู่ในระดับไหนไม่ต้องหลับตาภาวนารอกเพราะเขามีอะไรเขาก็ออกมาให้เราเห็นแล้วนาทีโลกีและหัวนามะความรับมันมีในโลกเขาก็เปลงอุทานออกมาใ ห, ให้เราเห็นแล้วเราจะไปนั่งภาวนาว่าจิตของเขาอยู่ในระดับใดยังไง อืมเรารู้จักแล้วนะเขาบอกแล้วนะผู้ถือศาสนาพุทธก็เพียงเขาโคเท่านั้นผู้ไม่ถือก็เพียงขนโคก็ฝากไว้พระพุทธเจ้าองค์อื่นน่นะศาสนาใดๆก็ตามต้องมาเลื่อมใสศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจะสําเร็จพระโสด า, า, าบันเช่นพระสารีบุตรโมกคลาเป็นต้นนั่นถ้าไม่เลื่อมใสพระอารักษกิ ก็อย่าหวังเลยนะคําาเรื่อมใสพระอาทิตย์มันก็เป็นเลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ในตัวแล้วนะทําไมอาราบุตรอุทธกาดาบุตรรามาบุตรสมราบัติแปดแล้วจึงไม่สําเร็จพระสุชาตบัตก็เพราะไม่ปฏิญญาตนไม่ถึงมาพูดพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงค์ยังไม่เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านยังไม่ทราบเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตราจึงจะไปเทศเอาท่านก่อน แต่ท่านมร่ลหน้าภาพไปสะกก็เลยเสียดายก็เลยไปหาพระปัญจวัคคีย์ทีนี้ก็ุยกันให้นอนได้นียยะถาวนานิวาาบุราพริภุริภเรนจิสากาลังเอวเมวีตัวจินนางเปตานางอุปกัปรปฏิทิตังปฏิตังตุมังคีภูเรสมิตตุนาเพยียภูเรนดุสังขปาจันโทพนะาราโสยถ า, ามณโชติรโสยถาทะพธโยวยัจนาสพโก ว, วินั เสด็ตมาเทพบพุโารายกีายโคอภิวาทนาสีนิจจานิจังมุทาวาจายโจัตตโรธรรมาวทัานติอายุวันูสุขังพรลังพูดกับคนอื่นมันพูดมากแต่เราภาวนาคนเดียวเราไม่เอามากเน้อยังก็ยืนยันวาโวหารก็หารลงนะเดี๋ยวเดียโยมของพวกเราให้ใครมาโยมของพวกเราฮะไปตามไปเะ